แง่ที่สองตัณหาเป็นแรงจูงใจให้กระทําในระบบเงื่อนไขแง่ที่สองนี้ก็มีสาลาอย่างเดียวกับแง่ที่หนึ่งนั่นเองแต่มองต่อไปอีกขั้นหนึ่งคือเมื่อมองดูให้ลึกซึ้งถึงแก่นแท้ตัณหาหาได้เป็นแรงจูงใจให้กระทํำไม่ ดังที่กล่าวแล้วว่าตัญหาต้องการเสพอยากได้อยากเอาสิ่งที่จะให้สุขเวทนาแก่ตนต่างจากฉันทะที่ต้องการภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆหรือทุกสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องอันนี้มีผลต่อการกระทาและการไม่กระทาอย่างซับซ้อนขอยกตัวอย่างคนมีฉันทะมองเห็นพื้นบ้านก็อยากให้สะอาด เป็นความต้องการภาวะดีงามสมบูรณ์ของพื้นบ้านถ้าไม่สะอาดก็อยากทาให้สะอาดจึงไปหยิบไม้กวาดมากวาดเขามีความสุขความพอใจทั้งในการกวาดที่เป็นเหตุของผลที่ต้องการและมีความสุขเมื่อเห็นพื้นบ้านสะอาดซึ่งเป็นผลโดยตรงของการกระทำการกวาดล่าวฝ่ายเด็กชายหอ ไม่มีฉันทะไม่รักษาความสะอาดอยากกินขนมเสพให้อร่อยอย่างเดียวคุณแม่แนะนำให้กวาดก็ไม่ทำคุณแม่จึงบอกว่าลูกกวาดบ้านหน่อยนะเดี๋ยวแม่จะซื้อขนมอร่อยมาให้พอได้ยินอย่างนี้เด็กชายหอก็ช่วยไม่กวาดมาทำการกวาดพื้นบ้านที่จริงเด็กชายหอไม่ได้ต้องการความสะอาดการที่เขากวาดบ้านนั้น เขาไม่ได้ต้องการความสะอาดที่เป็นผลของการกระทาคือการกวาดแต่เขากระทาการกวาดนั้นเพราะการทำการกวาดเป็นเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ขนมมาเสพมองเห็นได้ชัดเลยว่าเด็กชายหอไม่ได้มีความสุขในการกวาดและอาจเป็นทุกข์ด้วยซ้ำและก็ไม่ได้ตั้งใจกวาดให้ดีโดยคุณแม่ต้องให้ใครมาคอยคุมให้ดี เพราะการกวาดนั้นเป็นเหตุของความสะอาดซึ่งไม่ใช่เป็นผลที่เขาต้องการการกวาดเป็นเพียงเงื่อนไขที่จะให้เขาได้ผลที่ต้องการคือได้ขนมอร่อยมาเสพความสุขของเด็กชายหอต้องรอไปจนกว่าจะได้เสพย้มได้ว่าตัญหามิได้ต้องการสิ่งหรือภาวะที่เป็นผลของการกระทำนั้นโดยตรง ตัณหาให้กระทำต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นเงื่อนไขอันจำเป็นที่จะให้ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการแต่ถ้ามีทางอื่นใดที่จะให้ได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่ต้องทำตัณหาก็จะให้หลีกเลี่ยงการกระทำเสียหันไปเลือกทางไม่ต้องทำนั้นแทนพูดง่ายๆว่าไม่ให้ทำตัณหาจึงเป็นแรงจูงใจไม่ให้กระทำเสียมากกว่า เมื่อจะจูงใจไม่ให้ทำนั้นตันหาอาดแสดงออกในรูปของความเกียดคร้านโดยติดอยู่กับสุขเวทนาที่กำลังเสพในภาวะเดิมไม่อยากรากจากไปหรือแสดงออกในรูปของความกลัวเช่นกลัวจะประสบทุกขเวทนาในเวลากระทำการหรือกลัวสูญเสียความมั่นคงทาวรยิ่งใหญ่ของอัตตาเป็นต้นบางคราวในเมื่อการไม่กระทา จะเป็นเงื่อนไขให้ตันหาได้สิ่งที่มันต้องการคือได้เวทนาอร่อยเพิ่มขึ้นหรือเสริมความถาวรมั่นคงยิ่งใหญ่ของอัตตาได้มากขึ้นตันหาก็ให้ไม่ทำโดยไม่คำนึงว่าผลดีงามแท้จริงที่พึงเกิดจากการกระทานั้นจะเสียไปหรือไม่ตัวอย่างเช่นเด็กคนหนึ่งไม่ยอมไปโรงเรียนเพราะรู้ว่าทำอย่างนั้นแล้วคุณแม่จะต้องเอาใจ เพิ่มสตังค่าขนมให้ในกรณีนี้จะเห็นได้ชัดว่าการไม่ทำคือการกระทำอย่างแรงหรือเหมือนอย่างคนที่หยุดทำงานด้วยเห็นแก่จะได้เสพสุราเล่นการพนันและคนยอมรับเงินค่าจ้างให้งดเว้นการกระทาที่ถูกต้องบางอย่างเป็นต้นแม้กระทั่งในกรณีของความเกียรติร้าน ของบางอย่างในบ้านหรือในโรงเรียนสมควรจะทําหรือช่วยกันทําขึ้นเองได้กลับยอมเสียเงินไปซื้อหามาเป็นต้นเป็นเหตุให้เสียสันโดษคือไม่ได้ความเอืบอิ่มพึงพอใจจากสิ่งที่เป็นผลสําเร็จแห่งการกระทําของตนเองในกรณีเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการกระทําได้ก็คือฉันทะที่เกิดจากปัญญา ซึ่งทำให้รู้เข้าใจอย่างถูกต้องซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าเป็นประโยชน์แท้จริงรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและปลุกชันทะที่จะทำสิ่งนั้นๆให้เกิดให้มีให้สำเร็จขึ้นอันหนึ่งแม้ในกรณีที่ให้กระทำการกระทำด้วยตัณหาก็ไม่ปลอดภัยและความเป็นเงื่อนไขดังได้กล่าวแล้ว ทำให้มีสูตรว่าตัณหาให้ทาเพราะพอใจเวทนาอร่อยที่ได้จากการกระทานั้นยิ่งทายิ่งอร่อยก็ยิ่งชอบใจและยิ่งชอบใจก็ยิ่งทำทำจนกระทั่งผลดีที่พึงประสงค์จากการกระทานั้นเสียหายหรือล้มเหลวไปก็มีบ่อยๆส่วนชันทะที่เกิดสืบเนื่องมาจากปัญญา จะจูงใจให้กระทําเพราะพอใจผลดีหรือภาวะดีงามที่จะเกิดมีขึ้นจากการกระทํานั้นยิ่งทำยิ่งเห็นผลดีคือภาวะดีงามเพิ่มพูนก้าวหน้าขึ้นก็ยิ่งพอใจและยิ่งพอใจก็ยิ่งทําทําจนกว่าภาวะดีงามนั้นจะเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เป็นการทําเท่าที่พอดีกับวัตถุประสงค์ โดยในย่านีจึงชัดเจนว่าตัญหาเป็นแรงจูงใจให้ไม่ทำและแม้เมื่อจูงใจให้ทำก็ไม่ปลอดภัยแต่ให้ผลร้ายมากกว่าผลดีจึงควรทำตนให้พร้อมที่จะเลิกใช้เลิอกอาศัยมันโดยหันไปสร้างเสริมปัญญาลูกชันทะขึ้นมาแทน